ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งยเรื่องพระโลลุทายีเถระภาคที่ห้าเรื่องที่เจดของวรที่สิอราวัคคะวรณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระโลลุทายีเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อปัสสุตายังบริโซเป็นต้นตอนพระเถระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งานดังได้สดับมาพระโลลุทายเถระนั้นไปสู่เรือนของหมู่ชนผู้ทำการมงคลก็กล่าวอาวบมงคลโดยในเป็นต้นว่าติโรกุเตสุติทันติไปเรือนของผู้ทำการอาวะมงคล เมื่อควรกล่าวตีโรกุดสูตรเป็นตน้นก็กล่าวมงคลคาถาโดยนายเป็นต้นว่าดานันจะธรรมจริยาจะหรือรัตนสูตรเป็นต้นว่ายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาเธอคิดว่าเราจกสวดสูตรอื่นแม้สวดสูตรอื่นอยู่ในที่นั้นๆอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่า เราสวดสูตรอื่นตอนถึงการก่อนก็เลอะเหมือนกันภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของท่านแล้วจึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเป็นอย่างไรพระโลลุทายีในที่ทำการมงคลและอวบมงคลควรกล่าวสูตรอื่นก็ไพรไปกล่าวสูตรอื่นพระศัสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนั่นกล่าวอย่างนั้นในการบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ถึงในการก่อนโลลุทายีเมื่อสูตรอื่นอันตนควรกล่าวก็ไพ่กล่าวสูตรอื่นอันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัส ด, ดังต่อไปนี้ตอนบรุรพกรรมของพระโลลุทายี ในอดีตการบุตรของพรามชื่ออักิทัตในกรุงพารณสีชื่อโสมทัตกุมารบำรุงพระราชาแล้วเธอได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหฤทัยของพระราชาส่วนพรามอาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพพรามนั้นมีโคสองตัวในสองตัวนั้นตัวหนึ่งได้ล้มเสร็จแล้ว รามจึงกล่าวกบับบรชายว่าพอสมทั์พอจงทูลขอในหลวงนำโคมาให้พ่อตัวหนึ่งตอนสมทั์สอนพ่อให้ทูลขอโคมหาเล็กสมทั์คิดว่าถ้าเราจะขอพระราชทานกบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใสความเป็นคนผลุผผลันจากปรากฏแก่เราจึงพูดว่าคุณพ่อขอรับ คุณพ่อเองจงขอพระราชทานในหลวงเถิดเมื่อบิดาพูดว่าลูกเอย๋ยถ้ากระนั้นเจ้าจงพาข้าไปเถิดจึงคิดว่าท่านพรามนี้มีปัญญา ง, งุนย่อมไม่รู้จักแม้ศัก์แต่ว่าคำพูดเป็นต้นว่าจงไปข้างหน้าจงถอยมาข้างหลังเมื่อคำอื่นอันควรพูด ก็ไพล่พูดคำอื่นเสียเราจะให้สําเนีกแล้วจึงพาท่านไปเธอพาท่านไปป่าช้าชื่อวีระนัทถามพระกะแล้วจึงมัดฟ่อนหญ้าหลายฟ่อนทําสมมติว่าฟ่อนหญ้านี้เป็นเจ้าชีวิตฟ่อนหญ้านี้เป็นหวังหน้าฟ่อนหญ้านี้เป็นเสนาบดีดังนี้เป็นต้นสแสดงแก่บิดาตามลำดับแล้ว จึงชี้แจงว่าอันคุณพ่อไปราชสกุลต้องเดินหน้าอย่างนี้ต้องถอยหลังอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวต้องกราบบังคมทูลอย่างนี้หวังหน้าต้องกราบทูลอย่างนี้คุณพ่อเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วต้องถวายชัยมงคลอย่างนี้ว่าขอเดชะฝ่าละ อ, องทุลีพระบาทปกเกล้า ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงชนะเถิดดังนี้พึงว่าคาถานี้แล้วขอพระราชทานโคเถิดจึงให้ปิดาเรียนคาถาว่าเดเวเมโกนามาหาราชเยหิเขตตังกษามาเซเตสุเอโกมาโตเดวะดุติยังเดหิคติยาติ ขอเดชะฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทปกเกล้าโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้าสองตัวในสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสร็จแล้วใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทผู้เทพขติยาราชขอใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่สองเถิดตอน สมทัตพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชาพ ร, รามนั้นทองคาถานั้นให้คล่องแคล่วราวปีหนึ่งจึงบอกความที่คาถานั้นคล่องแคล่วแล้วแก่บุตรเมื่อลูกนั้นกล่าวว่าคุณพ่อขอรับถ้ากระนั้นคุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยนั่นแหละมาเถิดผมจะไปก่อนแล้วยืนอยู่ที่ราชสำนักจึงพูดว่า ดีล่ะลูกแล้วถือเครื่องบรรณาการไปเป็นผู้ถึงความอุตสาหะไปราชสกุลในเวลาที่คุณสมทัศยืนอยู่ในราชสำนักเป็นผู้มีพระราชปฏิสันฐานอันพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชรัายายินดีทรงกระทำแล้วเมื่อพระองค์ตรัสว่าตาแกมานานแล้วหรือนี้ที่นั่ง แกจงนั่งแล้วพูดไปเถิดแกต้องการด้วยสิ่งใดเล่าจึงว่าคาถานี้ว่าด h เ v เมโกนามหาราชา yehi ตั t a n g kasamze tesu อโ o มโตเ d วะดุติยังกันหัก a ตติยาติขอเดชะฝาละองทุลีพระบาทปกกล่าว โคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้าสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทผู้เทพขติยราชขอใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจงทรงกรุณาโปรดเกล้าเอาตัวที่สองมาเสียตอนสมทัตได้รับพระราชทาน แม้เมื่อในหลวงตรัสว่าตาแกว่าอะไรนะจงว่าไปอีกพรามนั้นก็คงกล่าวคาถาบทนั้นเองในหลวงทรงทราบความที่คาถานั้นพรามกล่าวผิดทรงยิ้มแล้วตรัสว่าสมทั์โคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะเมื่อคุณสมทัก์กราบทูลว่าขอเดชะ ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทผู้สมมุติเทวราชโคอันใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแล้วจักมีมากดังนี้แล้วทรงโปรดปราณคุณสมทัตผู้โพธิสัตว์จึงพระราชทานโคสิบตัวแก่พรามสิ่งของเครื่องอลาัางการและบ้านที่อยู่แก่โพธิสัตว์นั้นให้เป็นพรหมไทยแล้ว จึงทรงส่งพราหมณ์ไปด้วยยศใหญ่ตอนผู้มีสุตาน้อยเหมือนโคถึกพระสัสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วประชุมชาดกว่าพระเจ้าแผ่นดินในครั้งกระนั้นเป็นอานนท์ตาพราหมณ์ในครั้งกระนั้นเป็นโลลุทายีมหาดเล็กโสมทัตในครั้งกระนั้น เป็นเราตถาคตนี่แหละจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนี้เมื่อคำอื่นอันตนควรพูดก็ใลาพูดคำอื่นไปเสียไม่ใช่แต่ในบัรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็พูดแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนมีธรรมได้สะดับน้อยเพราะว่าคนมีสุตาน้อยชื่อว่าเป็นเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถานี้ว่าอัปัสสุตายังปุริโซปลิบัตโดวจีรติมังซานิตัสสาวัทันติปัญญาตัสสะนวัตติติคนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่ตอน แกอัดบรรดาบทเหล่านั้นเนื้อความแห่งบทว่าอัปัสุตายังว่าคนชื่อว่าอัปัสสุตต์เพราะไม่มีหมวดสูตรห้าสิบหนึ่งหมวดหรือสองหมวดก็หรือว่าเพราะไม่มีวรสูตรหนึ่งวรหรือสองวคโดยกําหนดที่สุดทั้งหมดเพราะไม่มีแม้สูตรหนึ่งหรือสองสูตร แต่ได้เรียนกรรมฐานเล็กน้อยประกอบความเพียรเนืองๆอยู่ก็เป็นพระหูสูตรได้ทีเดียวสองบทว่าบริบัตโตวจีรติความว่าเหมือนดังโคถึกเมื่อแก่คือเมื่อเท่าย่อมโตขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โคแม่พ่อหาไม่ได้เลยแก่โคที่เป็นพี่น้องอันเศษก็หาไม่ได้ โดยที่แท้ก็แก่ไม่มีประโยชน์เลยฉันใดแม้อัปสัสสตชนนี้ไม่ทำอุปชัยวัดไม่ทำอาจรรยวัดและไม่ทำวัดอื่นมีอาคันตุ ก, กะวัดเป็นต้นไม่หมั่นประกอบแม้ศักว่าภาวนาชื่อว่าย่มแก่ไม่มีประโยชน์เลยฉันนั้นนั่นแหละบาพระกาถา่า มังซ่านิตศัะวัตทันติมีอธิบายว่าเนื้อของโคถึกที่เจ้าของคิดว่าไอ้นี่ไม่อาจจะลากแอกไถเป็นต้นไหวแล้วปล่อยเสียในป่าเที่ยวเคี้ยวกินดื่มอยู่ในป่านั่นแหละย่อมเจริญฉันใดเนื้อแม้ของอปสัสสตชนนี้อันพระครุฑฐานิยะ มีพระอุปชาเป็นต้นปล่อยเสียแล้วอาศัยสง์ได้ปัจจัยสี่ทำกิจมีระบายท้องเป็นต้นเลี้ยงกายอยู่ย่อมเจริญคือว่าเธอเป็นผู้มีร่างกายผีเที่ยวไปฉะนั้นนั่นแหละสองบทว่าปัญญาตัดสะมีเนื้อความว่าส่วนปัญญาเป็นโลกิยะโล ก, กุตละ ของอปสุตชนนั้นแม้ประมาณองคุลีเดียวก็ไม่เจริญแต่ตัณหาและมานะก้าอย่างย่อมเจริญเพราะอาศัยทวารหกเหมือนกอหญ้าและดาวันเป็นต้นเจริญอยู่ในป่าฉะนั้นในเวลาจบเทศนามหาชนบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วดังนี้แลเรื่อง พระโลรุทายีเถระ